เนี่มาขึ้นอะไรเอ่ยเชื่อว่าเจ็ดลนะพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเถระทําให้ทรงยินดีด้วยการพยากรปัญหาเนี่แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปตามนัยก่อนๆว่าอะไรเอ่ยเชื่อว่าเจ็วิญญาณที่ติเจ็พระเถระกล่าวในการพยากรปัญหาใหญ่ก็จริงถึงอย่างนั้นภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในธรรมะเหล่าใด ย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้พระธีระเมื่อแสดงธรรมะเหล่านั้นจึงทูลต่อว่าโพชชงเจตอันหนึ่งเล่าความข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติแล้วเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนเครือข่าบดีทั้งหลายกะชังคาลาภิกษุณีเป็นบัณฑิตดูก่อนเครือขาบดีทั้งหลายกะชังคาลาภิกษุณีนี่นะมีปัญญามากพวกท่านเข้าไปหาเครือขาบดีแม้ที่เตียงสอบถาม ข้อความนี้แม้เราก็พึงพยากรณ์ความข้อนั้นเหมือนกันอย่างที่กระชังคลาภิกษุณีกล่าวพยากรณ์ฉะนั้นซึ่งพระกระชังคลาภิกษุณีเนี่ยนะท่านก็ได้กล่าวไว้ในทูติยะมหาปัญหาสูตรไว้ว่าผู้มีอายุธรรมเจ็ดเหล่านี้เนี่ยนะธรรมเจ็ดภิกษุมีจิตอบรมดีแลว้วโดยชอบเนี่ยนะข้อความกล็ละย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้เนี่ยนะ บอกว่าภิกษุมีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้ในปัจจุบันธรรมะเจ็ดคือโพษชงเจ็ดผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะเจ็ดเหล่านี้และภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วโดยชอ บ, ชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทาที่สุดทุกได้ในปัจจุบันนะ คำนี้ใดว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหา7อุเทศ7ไวยากรณ์7คํานี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะความข้อนี้เพิ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุมัติแล้วด้วยประการชนีคือโดยปกติทั่วๆไปครับว่าอุเทศหนึ่งนไะวยากรหนึ่งเนี่ยนะขออภัยอุเทศ7ไวยากรณ์7พวกนี้ก็เน้นไปที่วิญญาณที่ติเจ แต่ทีนี้กระชังกาลาพิสุีเนี่ยกล่าวถึงโพชงเจแล้วก็พระผู้มีพระภาคก็รับรองด้วยนะว่าคำว่าปัญหา7อุเทศ7วยากรณ์7เนี่ยนะหมายถึงโพชง7พระองค์ก็รับรองเพราะฉะนั้นแม้ในที่นี้เนี่ยนะคือในปุมาระปัญหาท่านโสปากตอบว่าได้แก่โพชงเจ็ดนีก็ชอบถูกต้องแล้วว่างั้นประทมมหาปัญหาสูตรในทยทศกานิบาศเนี่ยพระองค์แสดงว่าวิญญาณทิฏิเจ ชื่อว่าปัญหาเจ็ดอุเทศเจ็ดวยากนเจ็ดพระองค์ตอบเองเนี่ยนะแต่ว่ากระชังคลาพิสุนีตอบว่าโพชงเจ็ดหรือท่านโสปากาสัมเณินตอบว่าโพชงเจ็ดนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันพระองค์ก็รับรองเหมือนกันคำว่าเจ็ดเนี่ยนะเป็นชื่อของการกำหนดกาหนดจำนวนไม่เกินกว่านั้นแล้วก็ไม่ต่ากว่านั้นคาว่าโพชงนี้เป็นชื่อของธรรมะมีสติเป็นต้น โดยอัฐะมีดังต่อไปนี้ว่าชื่อว่าโพธิโพชงในี่นะยโพธิก่อนนนะโพธิพระวิเคราะห์ว่าพระอริยาสาวกย่อมตรัสรู้ด้วยธรรมะสามาคัคคีนะธรรมต้องสามัคคีกันนะเจ็ดอย่างกล่าวคือสติธรรมวิจยะวิรยิยะปิติปัสสัตทิสมาธิและอุเบขานะธรรมเจ็ดอย่างเหล่านี้นี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปธรรมเป็นอันมากคือความหดความฟุ้งซ่านความหยุดความเพียร นะเจตนาเป็นเครื่องประมวลมาอายุหะณะเนี่ยนะการมัศุขลิกานุโยกอัตากิละมะัฐานุโยกและความยึดถือด้วยอุเฉธาทิฏฐิและศาสตาทิฏฐิเป็นต้นอันเกิดขึ้นในขณะแห่งมรักส่วนที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตระคือพ่อชงเนี่นะเป็นทั้งโลกิยะและเป็นโลกุตระแต่ว่าพ่อชงเหล่านี้เกิดขึ้นเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปัทวะนะับตั้งแต่ความหดหู่ความท้อแท้ความฟุ้งซ่านเป็นต้นทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแหละ แต่ท่านโลกุตระก็ตัดได้อย่างเด็ดขาดท่านอธิบายว่าลุกขึ้นจากความหลับคือสันดานที่มีกิเลสหรือแทงตลอดอริยสัจสีหรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั่นแหลเหมือนอย่างที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านี่นะทรงเจริญโทชงเจตตรัสรู้ยิ่งเองซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ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 และองค์คือส่วนของรถเป็นต้นฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบอัตตว่าโพ่อชงแห่งโพ่อชงทั้งหลายโดยวิธีที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภี์ปฏิสัมพิธาอย่างนี้ว่าในบทว่าโพ่อชงชื่อว่าพ่อชงเพราะอัตตว่าอะไรชื่อว่าโ พ, พออาอ่อพชงเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้ชื่อว่าโพ่อชงเพราะตรัสรู้ตาม ชื่อว่าพ่อชองเพราะแทงตลอดเชื่อว่าพ่อชองเพราะตรัสรู้พร้อมอันนี้ขยายคําว่าโชพชอชองพโยคาวจรเมื่อเจริญทําให้มากซึ่งโพชองเจ็ดเหล่านี้อย่างนี้ไม่นานนักก็จะเป็นผู้ได้คุณมีความเบืหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นต้นเพราะเหตุนั้นจึงตรัาว่าย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกข์ในปัจจุบัน ที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพ่อชงเจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเนี่ยนะเพื่อพระนิพพานประมาณเพราะฉะนั้นพชงเจ็ดที่เจริญก็เจริญเพื่ออะไรเพื่อเบืหน่ายเป็นต้นนั่นเองนะ หรืออีนวนหนึ่งที่บอกว่าเจริญโพชฌงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคฆอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นคําว่าโพชฌงนั้นเป็นชื่อของตั้งแต่ว่าวิปัสนาญาณเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วเนี่ยนะพวกนี้จึงลักษณะของโพชฌงโพชฌงอย่างที่ที่อ บ, บรมทําให้มากแล้วก็เป็นไปเพื่อเอกันตะนิพิ t าว่ า, งงาังันเบือนนายโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเพื่อคลายกําหนัดโดยส่วนเดียวเพื่อความดับโดยส่วนเดียวเพื่อความระงับโดยส่วนเดียว เพื่อตรัสรู้ยิ่งด้วยส่วนเดียวเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานน่ยนะสรุปแล้วโพชฌงค์ที่เจริญให้มากแล้วก็เพื่ออริยมรรคกับเพื่อพระนิพพานนั่นเองเนี่ยเองนะแต่ที่บอกว่าเพื่อเบื่อหน่ายเนี่ยนะคำว่าเบื่อหนายโดยส่วนเดียวนั้นเป็นชื่อของเบื่อหน่ายในยวัตะเนี่ยนะเมื่อเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วก็เบื่อหนายใ น, ยนยวัตะโดยส่วนเดียวทีนี้ก็ต่อไปนะว่าข้อ8เลย อะไรเอ่ยชื่อว่า8ปดพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเระทําให้ทรงยินดีด้วยการพยากรปัญหาแม้นี้อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า8พระเถระกล่าวโลกกรรทำแปไว้ในพยากรปัญหามากปัญหาก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้ พระเถระเมื่อแสดงธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะไม่กล่าวว่าองค์อริยะแห่งมรดแปดเพราะเหตุที่ธรรมดามรดอันพ้นจากองค์8หามไม่แต่ว่ามรดมีเพียงองแปดเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะให้สำเร็จความข้อนั้นจึงทูลตอบโดยวิราชแห่งเทสนาคือความงดงามแห่งเทสนาว่าอริยมรดมีองค์8เนี่ยนะความและเทเ อัถฐและเทศนานยข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะเหมือนกับที่พระองค์ยอมรับที่กระชังคลาภิกษุณีกล่าวไว้เนี่ยนะที่บอกว่าผู้มีอายุว่า ง, งั้นธรรมะแปดภิกษุมีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบเนี่ยนะตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันเนี่ยนะธรรมะแปดคืออะไรคือ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะผู้มีอายุธรรมะแปดเหล่านี้แล่ภิกษุมีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้ในปัจจุบันคํานั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหา8ดอุเทศแปดวยากรณ์8คํานี้ดิฉันอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วเนี่ยนะอันนี้ในทุติยมหาปัญหาสูตรเนี่ยนะท่านแสดงว่าอย่างนั้น แต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยนะถ้าเป็นในพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในปฐมมหาปัญหาสูตรเน้นนั้นคว่า8ได้แก่โลกธรรมแปดแต่ว่าในทุติยมหาปัญหาสูตรกับในกุมารปัญหานี้หมายเอาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่ก็ขยายคําว่าอริยมรรคมีองค์8นะบทว่าอริโยอริโยก่อนอริยเนี่ยแปลว่า อันผู้ต้องการพระนิพพานเพ่งบรรลุคืออริยะเนี่ยนะอันหนึ่งมักเพึงทราบว่าอริยะเพราะเป็นไปห่างไกลาจากกิเลส ท, ทั้งหลายมักเนี่ยเป็นอริยะเพราะห่างกิเลสเพราะกระทําให้เป็นพระอริยะและแม้เพราะได้อริยผลนะห่างไกลาจากกิเลส ท, ทาให้เป็นพระอริยะแล้วก็ได้อริยผลองค์ของมักนั้นมี8เพราะเหตุนั้นมักนั้นจึงชื่อว่ามีองค์8ดเนี่ยนะ องมัคนี้พึงทราบว่าเป็นเพียงองค์เท่านั้นเพราะมัคที่มีสภาพที่บุคคลจะไม่เพึงได้โดยแยกจากองค์มัคถ้าจะได้จริงๆก็ได้ครบทั้งองค์ทั้งแปดนั่นแหละเหมือนกองทัพก็มีองสี่ดนตรีก็มีองห้าบุคคลย่อมค้นหานิพานด้วยทางนี้หรือสแสวงหาเองหรือฆ่ากิเลสไปเพราะเหตุนั้นทางนี้จึงชื่อว่ามัค ภิกษุเมื่อเจริญมักมีประเภทแปดและมีองค์แปดอย่างนี้ย่อมทำลายอาวิชชาทำวิชาให้เกิดทำให้แจ้งนิพพานด้วยเหตุนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้ทำที่สุดทุกในปัจจุบันสมดังที่พระ อ, องค์ได้ตรัสไว้ว่าดูกาพภิกษุทั้งหลายหางเมล็ดข้าวสาลีหรือหางเมล็ดข้าวเหนียวที่เขาตั้งไว้ชอบเน่นะคือเอาดิ่งขึ้นนะตั้งขึ้น เอามือหรือเท้าเหยียบจักตำเอามือหรือเท้าได้หรือจักทำให้ห้อเลือดได้ข้อนี้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะหางเมเล็ดเนี่ยนะเขาตั้งไว้ชอบฉันใดดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูุนั้นหนอก็ฉะนั้นเหมือนกันจักทำลายอาวิชชาทำวิชาให้เกิดจักทำให้แจ้งพระนิพพานได้ก็ด้วยทิฐิที่ตั้งไว้ชอบด้วยมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบข้อนี้ เป็นไปได้หังนี้เนี่ยนะอันนี้อยู่ในอังคุตรณิกายเอกานิบาตเนี่ยนะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิเนี่ยนะเอกนิบาต<ม>ถ้าหากว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกหรือว่าทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกต้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอาการเจริญมรรคภาวนาเป็นต้นก็เป็นไปได้สามารถเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นไปที่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 เพราะว่าผู้ที่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ทำลายอาวิชชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นขึ้นได้เนี่ยนะทีนี้ในอะไรเอ่ยชื่อว่า9เลยพระศาสดาผู้มีจิตอันพระระทำให้ทรงยิน ด, ดีด้วยการพยากรตปัญหานี้จึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า9้า พระเถระกล่าวซ้าว่านวะ9้าจึงทูลต่อว่าสัตตาวาส9ในคําว่า9้านี้เป็นคำำํากําหนดจํานวนคําว่าสัตว์ได้แก่สัตว์มีชีวิตที่ท่านบัญญัติที่อาศัยขันนับเนื่องในชีวิตตินทรียอันคําว่าสัตตาวาสสัตตัวนี้เน้นไปที่พบใดที่มีหรืออะไรที่มีชีวิตตินทรีนะเน้นสิ่งที่มีชีวิตตินทรีย์เป็นเกณฑ์คําว่าอาวาสได้แก่ที่ชื่อว่าอาวาสเพราะเป็นที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัยของของอะไรของสิ่งที่มีชีวิตตินเสีย น, นะเรียกว่าสัตวาวาสเห น, นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าสัตวาวาสนับเป็นทางแห่งเทสนาแต่เมื่อว่าโดยอัฐะคือใจความคำนี้เป็นชื่อของสัตว์เก้าประเภทถามว่าเก้าประเภทเหมือนอย่างที่ที่ภาษาลีบุตรนะภาษารีบุนะรรบตรตัผู้มีอายุสัตว เราสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่เหมือนมนุษย์บางพวกเทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นสัตว์ตว่าที่หนึ่งสัตว์ตว่าที่หนึ่งได้แก่พวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์ทั้งหลายเราสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่เหมือนถวยเทพที่มีอยู่ในหมู่พรหมผู้เกิดเป็นพวกแรกนี้เรียกว่าสัตว์ตว่าที่สองนี่นะ พรหมทั้งหลายเลนี่ยนะพวกแรกเนี่ยหมายถึงพรหมในปฐมฌานภูมินะพรหมในปฐมฌานภูมินะี่นะมีกายต่างกันแต่ว่าสัญญาอย่างเดียวกันหรือว่าสัตว์ในอบายก็ลักษณะเดียวกันส่วนเหล่าสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่เหมือนถวยเทพเหล่าชั้นอาพัสรนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่สเหล่าสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ เหมือนถวยเทพเหล่าสุภกินหะนี้เป็นสัตว่าที่สี่เหล่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่เสวยอารมมีอยู่เหมือนถวยเทพเหล่าอสัญญาสัตว์นี้เป็นสัตว่าที่ห้าเนี่ยนะสัตว่าที่หได้แก่อากาสานัญญายตนะสัตวาที่เจ็ดได้แก่วิญญาณัญญายตนะสัตว่าที่แปดได้แก่อากินจัญายตนะสัตว่าที่เก้าได้แก่ เนวะสัญญานาสัญญายตนะที่ไหนมีชีวิตติณซีนี่แหละพบไหนมีนั่นแหละเรียกว่าสัตวะนี่แหละนักก็ในที่นี้พระเถระกล่าวว่าสัตวะเก้า 9, ก็ตามนัยก่อนๆ น, นั่นแหลมิใช่เพราะไม่มีธรรมะเก้าอย่างอื่นเนี่ยนะเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปรถมมหาปัญหาสูตรว่าดูกรพิสุทั้งหลายในธรรมะเก้าพิสุเมื่อเบื่อนายเนี่ยนะ โดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันธรรมะเเป็นไงเนี่ยนะธรรมะเคือสัตวาวาส9ดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะ9เหล่านี้แหละพิสูจเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อเห็นที่สุด โดยชอบแต่สรู้โดยความเป็นธรรมโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนั้นคำนั้นใดเรากล่าวว่าปัญหา9อุเทศ9ไวยากรณ์9าคำนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะก็ในปัญหานี้ภิกษุละความเห็นว่ายั่งยืนเนี่ยนะละความเห็นว่าเที่ยงนะเนี่ยคือละวิปลาสว่าเที่ยงละวิปลาสว่างงามละความวิปลาสว่าเป็นอัตตา และวิปลาสว่าเป็นสุขด้วยยาตะปริญญาในสัตตาวาส9เพราะบาลีว่าธรรมะ9้าควรกําหนดรู้คือสัตตาวาส9เนี่ยนะธรรมะเ้าควรทําปริญญาเนี่ยนะธรรมะเ้าควรรอบรู้ก็คือธรรมะสัตตาวาส9ทีนี้ถ้าหากว่ารู้ด้วยยาตะปริญญาแล้วทาไงนายด้วยการเห็นเป็นเพียงกองสังขารล้วน คลายกำหนัดด้วยการเห็นอนิจจลักษณะด้วยตีรณปริญญาหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกคลักษณะเห็นที่สุดนะนะโดยชอบด้วยการเห็นอนัตตาลักษณะตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบด้วยปหาณาปริญญาย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้สรุปแล้วก็คือให้ทำปริญญาสมในสัตววาสเาเนี่ยนะให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วก็ละ วิปลาดในสัตตาวะาทั้ง9กเนี่ยนะก็คือให้เบื่อหน่ายคลายกําหนัดในสัตว์ทุกพบภูมิเนี่ยนะภูมิไหนที่มีที่มีชีวิตตินซีเนี่ยนะให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อเบื่อห น, น่ายและคลายกําหนัดในทุกพบภูมิเหล่านั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละสรุปก็คือให้ทําปริญญาสามในสัตาวะเก้าถ้าพูดแบบเต็มบริบูรณ์เลยนะให้ทําปริญญาสามใน ภูมิ31อภูมิพูดให้เต็มเปี่ยมเลยนะก็บอกว่าทุกภพทุกภูมิทุกขนทุกแห่งให้ทำปริญญาให้หมดเลยนะทำแล้วไม่ผิดแน่นอนนะอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า9ได้แก่สัตววาเก้าสัตววาเก้านั้นต้องทำไงนะปริญญาสามนี่นะปริญญาสามในสัตววาเกทีนี้ถ้าหมด10บบ้าง ภาษาสดาผู้มีจิตอันพระเถระทําให้ทรงยินดีด้วยการพยากรแม้นี้อย่างนี้จึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบในปัญหานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอกุศลกรรมบทสิบในการพยากรทั้งหลายนอกจากการพยากรปัญหานี้เนี่ยในปฐมมหาปัญหาสูตรอังคุตระนิกายทศกันิบาศพระองค์บอกว่าธรรมะหมวดสิบได้แก่ อ, อกุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะส่วนของ กชังคาลาภิกษุณีเนี่ยนะก็บอกว่ากุศลกรรมบท10นะีหมวด10เหมือนกันเนี่ยนะในทุติยมหาปัญหาสูตรเนี่ยนะของกชังคลาภิสุณีบอกว่ากุศลกรรมบท10พระพุทธพจน์บอกว่าในปฐมม ห, มหาปัญหาสูตรบอกว่าอกุศลกรรมบท10ก็ถูกทุกในนั่นแหละว่าแต่แสดงการสูตรไหนเท่านั้นแหละถึงอย่างนั้นในที่นี้นะีคือที่อื่นบอกกุศลกรรมบท สบิบอกอะคุศลกรร ม, มบท10บแต่ในที่นี้เพราะเหตุที่พระเถระไม่นําตัวเองเข้าไปประสงค์แต่จะพยากรณ์พระอรหันต์เนี่ยนะคือปกติพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นะจะพูดแต่ธรรมะเท่านั้นท่านจะไม่น้อมตัวเองเข้าไปว่าข้าพเจ้าเป็นอรหันต์อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะไม่พูดเลยเขาจะพูดแต่ธรรมะเท่านั้นเองจะพูดแต่คุณธรรมอันนั้นแต่จะไม่น้อมเข้ามาในตัวเพราะงั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพยากรณ์พระอรหันต ของท่านเองอะนะหรือเพราะเหตุที่ปัญหากรรมที่พระเทระพยากรโดยปริยายนี้เป็นอันพยากรดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านที่ประกอบด้วยองคศิบเหล่าใดท่านเรียกว่าพระอรหันต์พระเทระเมื่อแสดงการบรรลุองคศิบเหล่านั้นจึงทูลตอบด้วยเทศนาเป็นปุคลาที่ฐานว่าท่านผู้ประกอบด้วยองคศิบเรียกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะในข้อนั้นท่านผู้ประกอบด้วยองคศิบ เราได้เรียกว่าผ้าอรหัน์พึงทราบว่าองค์สิบเหล่านั้นพระเถระถูกตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบจึงทูลชี้แจงก็องค์สิบเหล่านั้นพึงทราบโดยนัยะที่ตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลายเป็นต้นว่าสูตรที่ว่านี้นั่นก็ในทศกนิบาตว่าภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรียกว่าอาเสขาอาเสขาภิกษุเป็นอาเสขาด้วยเหตุเท่าไหร่พระเจ้าค่าพระองค์ตรัสตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นอเสขาสัมมาสังกัปปะเป็นอเสขาสัมมาวาจาเป็นอาเสขาสัมมากจจนัมมากรตะเป็นอาเสขาสัมมาอาชีวะเป็นอาเสขาสัมมาวายามะเป็นอาเสขาสัมมาสติเป็นอาเสขาสัมมาสมาธิเป็นอาเสขาสัมมายาณะเป็นอาเสขะสัมมาวิมุตติเป็นอาเสขาดูก่อรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้และภิกษุชื่อว่าเป็นอาเสขะแล คือโน่นแหละระดับอรหั ต, ตผลไปแล้ว น, ลนู่นแหละเนี่ยนะสติปัญญาระดับหลังจากที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนู่นแหละว่างั้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบนู่นแหะอ้โน่นแหละท่านผู้ประกอบด้วยองค์สิบนั่นแหละจึงจะเรียกว่าพระอรหันต์องค์สิบที่ว่าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาแบบสุดยอดเลยนะพระพุทธเจ้าก็รับรองสาธุให้เป็นพระเลยนะตอบดีมากให้เป็นพระเลยนะท่านโสปากะเนี่ยนะอันนี้นทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่า คำว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัพเพสัตตาหาติทีกาอันนี้ประกาศอะไรประกาศอนิจจารักษณะหรือเท่ากับแสดงอนิจจานุปัสนาเนี่ยนะคืออนิจจลักษณะเนี่ยเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าอนิจจานุปัสนาเป็นชื่อของปัญญาที่ไปพิจารณาเห็นอนิจจารักษณะนี่เองทีนี้อะไรเอ่ยชื่อว่าสองอันนี้เป็นนามรูปนามรูปเท่ากับประกาศ ประกาศความเป็นอนัตตาประกาศความเป็นอนัตตาเท่ากับแสดงอนัตตานุปัสนาเนี่ยนะทีนี้อะไรเอ่ยชื่อว่า3เวทนาสเวทนาสมเท่ากับแสดงทุกคลักษณะเนี่ยนะทุกคลักษณะก็เท่ากับแสดงนะทุกขานุปัสนานีครับทุกขานุปัสนาทีนี้อะไรเอ่ยชื่อว่า4ได้แก่อริยส as ัตวสอริยสัตว์สีนั้นแสดงอริยสัตวสีเพื่อละ ภวตันหาเนี่ยนะเพื่อละภาวะตันหาทีนี้อะไรเอย่ยชื่อว่าหาอะไรเอย่ยชื่อว่าหกุปาทานขันห้าแสดงอุปาทานขันห้าเพื่อให้พิจารณาความเกิดและความดับเนี่ยนะอุทยัพ ย, พยาให้เห็นความเกิดและความดับ <apolis S 2> อะไรเอย่ยชื่อว่าหอะไรเอย่ยชื่อว่า6ได้แก uh ่อายตนะภายใน6อันนี้เน้นให้พิจารณาถึงความความเป็นของว่างเหมือนกับอุปมาเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับ ฟองน้ำเนี่ยนะให้นึกถึงฟองน้ําและพยับแดดนะือนั้นทีนี้อะไรชื่อว่า7ได้แก่พ่อชงเจ็เพราะว่าเมื่อเจริญโพ่อชงเจ็แล้วเป็นไงก็คือเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะถ้าเจริญโพ่อชงเจ็เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโพ่อชงเจ็เน้นเจริญเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเป็นต้นส่วนธรรมะแปด นะอะไรเอ่ยชื่อว่า8ได้แก่อริยมรัคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรักษอันประกอบไปด้วยองค์แปนั้นนะทรงให้ทําลายอวิชชาเนี่ยนะถ้าเจริญอริยมรักษอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ทําลายอวิชชาวิชชาก็จะเกิดขึ้นทีนี้อะไรเอ่ยชื่อว่า9คือสัตตวาเ9อันนี้เน้นอะไรเน้นปริญญาสในสัตววาเ9สรุปแล้ว31มบภพเนี่ยนะให้ทําปริญญาให้หมดเลย ทีนี้อะไรเอ่ยชื่อว่าสิบได้แก่ท่านผู้ประกอบด้วยองค์สิบชื่อว่าผ้าอรหันเนี่ยนะอันนี้เท่ากับประกาศอะไรประกาศว่าคนที่เป็นผ้าอรหันมีคุณธรรมอย่างนี้แลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบเนี่ยนะก็เท่ากับจบเนี่ยนะขั น, นกุมารตัญหาในคุถกะปาทะก็จบลงด้วยดีอย่งนั้น